ข้อความบางตอนที่น่าสนใจจากในเรื่องหนึ่งพิสูจน์ด้วยการพัฒนาตราบใดที่บุคคลยังพิสูจน์ความจริงอย่างใดด้วยประสบการณ์ของตนเองยังไม่ได้ตราบนั้นความจริงอย่างนั้นๆก็จะยังเป็นความจริงอย่างแท้จริงสำหรับเขาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันผู้ศึกษาก็ต้องทราบความจริงอีกข้อหนึ่งไว้ด้วยว่า ตราบใดที่เขาเองยังไม่ได้พัฒนาจิตใจให้ขึ้นมาถึงระดับของความจริงนั้นๆสิก่อนแล้วเขาก็จะยังเข้าถึงความจริงนั้นๆไม่ได้เลยเหมือนกัน 2. พึ่งผู้อื่นด้วยการปฏิบัติตนเองทุกคนต้องปรับปรุงตนเองโดยอาศัยประสบการณ์ของตนเอง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 ม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพลังงานที่เป็นศูนย์กลางกล่าวโดยสรุปก็คือเมื่อหมดแรงดึงดูดก็เกิดแรงผลักดันหมายเหตุผู้อ่านต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าบางคําบางประโยคเป็นคําที่ผู้ที่คนทั่วไปเข้าใจหรือบางครั้งเป็นความเข้าใจของท่านเจ้าของเรื่อง ซึ่งมีทิฏฐิความเชื่อและภาษาที่ต่างกันดังนั้นคำบางคำจึงต้องรู้ระดับของความหมายนั้นด้วยเช่นคำว่าวิญญาณในที่นี้คนทั่วไปและนักบวชศาสนาอื่นก็จะเข้าใจคำนี้ไปต่างกันกับคนที่เข้าใจในตามหลักของพุทธศาสนาที่เป็นหลักอย่างแท้จริงทั้งนี้แม้แต่คำสอนในทางพุทธเองบางครั้งคาเดียวกันอยู่ต่างที่กันก็มีความหมายแตกต่างกันได้นะครับ ตัวอย่างเช่นหลักธรรมสำคัญบางอย่างนั้นสามารถอธิบายได้สองในยะคือในยะตามพระสูตรและในยะตามอภิธรรมหรือภาษาทางวิชาการท่านเรียกว่าโดยปริยายและนิปริยายศัพท์ บ, บางศัพท์บางครั้งในการพูดกับคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาลึกซึง้งหรือแม้แต่คนนอกศาสนาก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแต่ละประโยคแต่ละแห่งแต่ละที่นั้นท่านหมายความถึงอะไร การศึกษาธรรมะให้เข้าใจได้จริงก็ควรจะเข้าใจในแง่ของการสื่อสารด้วยภาษาที่ต่างกันในบางครั้งด้วยนะครับ 5. าความตายคือการเบิกทางไปสู่การเกิดความตายเป็นสภาวะอย่างหนึ่งของชีวิตการตายของกายเนื้อร่างหนึ่ง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 เจ็ดคนกับสิ่งแวดล้อมในโลกมนุษย์เรานี้สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องสร้างคนคือเราจะมีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรก็ต้องสุดแล้วแต่สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญแต่ในโลกทิพย์สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ต้องสุดแล้วแต่สภาวะทางจิตใจของวิญญาณส่วนใหญ่ที่อยู่ในภูมินั้ น, น, นเป็นส่วนประกอบที่สาคัญ กล่าวอีกนยะหนึ่งก็คือในโลกทิพคนหรือวิญญาณเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเอง 8. ความฝันคือความจริงในระดับหนึ่งความฝันทั้งหลายย่อมเป็นความจริงในระหว่างที่เรายังไม่ตื่นจากฝัน เาเสียงแห่งมนโนธรรมในโลกทิพย์ในโลกทิพย์นั้นความรู้สึกผิดชอบของบุคคลจะแสดงตัวออกมาอย่างเปิดเผยเต็มที่เสียงแห่งมนโนธรรมของตนเองซึ่งในบางกรณีได้ถูกอำนาจฝ่ายต่ำกดทับและครอบงมไว้เสียเกือบตลอดเวลาเมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์นั้นบัดนี้เมื่อมาอยู่ในโลกทิพย์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 คือเป็นสภาวะที่วิญญาณสร้างสารขึ้นให้ฉายเงาออกมาข้างนอกซึ่งเมื่อว่าโดยปรมตทนายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หามีความจริงที่เป็นแก่นสารไม่แต่แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นในแง่ปรมาทนายจะไม่มีความจริงที่เป็นแก่นสารก็อย่าลืมนึกถึงความจริงที่สำคัญเท่าๆกันอีกข้อหนึ่งว่าในแง่สมมติสัจจสำสาหรับวิญญาณที่ยังไม่รู้ความจริงทางปรมาท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 ความทุกข์คือบทเรียนและบันไดสำหรับวิญญาณที่ได้พัฒนาขึ้นไปสูงพอแล้วย่อมจะสามารถหันมองกลับลงมาข้างล่างและแล้าก็จะเห็นได้ว่าคำกล่าวเช่นนี้มีความจริงเพียงไรจึงมีคำกล่าวเป็นทํานองอุปมาอีกข้อหนึ่งว่าความทุกข์ยากความโง่เขลาและประสบการณ์ต่างๆในขั้นต้นเหล่านั้น เป็นเสมือนความเจ็บปวดในการคลอดของวิญญาณนั่นเองนี่หมายถึงการที่อัจฉริยภาพหรือความสามารถหรือความรู้ที่ซ่อนอยู่ในภายในวิญญาณจะมีโอกาสได้คลอดมาสู่ความจริงคือความสำเร็จผลสมดังประสงค์ที่จำนวหมายไว้12 คนใจบอดชีวิตความเป็นอยู่ในภูมิเทวจันทร์แม้ว่าจะยังเป็นสภาพของความฝันก็ตามเพราะยังไม่ใช่ภูมิสูงสุดคือโล ก, กุตระแต่ก็เป็นภูมิแห่งการเก็บเกี่ยวผลของวิญญาณที่ได้ประกอบกรรมดีหรือว่าได้บำเพ็ญบา ร, รมีไว้ในโลกมนุษย์ซึ่งในบางครั้งการหว่านพืชแห่งความดีไว้ในโลกมนุษย์นั้นบุคคลไม่สามารถจะหวังให้พืชนั้น ผลิตผลในโลกมนุษย์ได้เสมอไปเพราะในโลกมนุษย์ในบางกาลและสมัยและบางแห่งก็เต็มไปด้วยคนอากตันยูเป็นคนใจบอดไม่มีดวงตาคือปัญญาเห็นคุณค่าของความดีได้ความดีดังกล่าวจึงเปรียบเหมือนพืชที่หว่านลงในนาหรือดินที่เลวแสนเลวแม้พืชนั้นเป็นพืชที่ดีแสนดีเพียงไรก็ยากที่จะผลิตดอกออกผลประกาศความเป็นพันธ์ดีของตน ออกมาให้โลกรู้โดยทั่วกันได้ในเมื่อระดับจิตใจหรือปัญญาของบุคคลข้างเคียงแตกต่างกันอย่างมากมาย 13. เรื่องที่น่าสลดใจเกี่ยวกับคนใจบอดลองสังเกตดูตนเองเมื่อเราอ่านนวนิยายดูภาพยนตร์หรือละคร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 ใจของเราก็จะเป็นเสมือนถูกยกให้ลอยออกไปนอกตัวเกิดความเบาและสบายอย่างบอกไม่ถูกมันเหมือนกับว่าเราได้ไปอยู่ณอีกภูมิหนึ่งซึ่งไม่ใช่ในโลกมนุษย์นีแล้วฉะนั้นก็เพียงแต่เราได้ชิมรสของเทียมอันเกิดจากความคิดฝันของผู้อื่นที่ตรงกับของเรายัางเป็นความสุขถึงขนาดนี้และเมื่อเราได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์เช่นนี้จริงๆในชีวิตของเราจนตลอดอายุขของเราแล้ว ลองคิดดูทีหลังว่ามันจะเป็นความสุขเป็นความปีติเป็นความปราโม้นสักเพียงไรเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งของโลกมนุษย์ที่เกิดความมิตกวิฏฐานไม่ยอมเชื่อโดยอ้างเหตุผลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเกินไปจนถึงอย่างไรอย่างไรก็เป็นความจริงไปไม่ได้ สิการเข้าถึงใจของกาและกันคำกล่าวที่ว่าเราได้เข้าถึงโลกหรือภูมิทิพย์แห่งเดียวกันกับผู้ที่เราคุ้นเคยหรือผู้ที่บาเพ็ญบารมีไปในธนองเดียวกันนั้นก็จะหมายความว่าเราได้เข้าถึงสภาวะแห่งจิตใจของผู้ที่มีความโน้มน้อ ม, อมและอัธยาสายใจคออย่างเดียวกันนั่นเองซึ่งก็หมายความว่าเราได้เข้าใจ คือเข้าถึงใจของกันและการอย่างสนิทสนมซึ่งจะเป็นความสนิทสนมยิ่งกว่าความใกล้ชิดกันโดยสถานที่หรืออวกาศในโลกมนุษย์มากมายนักเพราะความเข้าถึงใจย่อมมีอิทธิพลส่งให้การและการได้ดีเป็นพิเศษและเป็นความเข้าใกล้ชิดกันอย่างแท้จริงสำหรับโลกมนุษย์เราอาจอุปมาให้เห็นคร่าวๆพอเป็นแนวทางกว้างๆบ้างก็เช่นในเวลาที่ชายหนุ่มหญิงสาว เกิดความรักกันและกันยังทราบซึ้งถึงใจซึ่งในระยะนี้หรือในขณะเช่นนี้เขาทั้งสองจะรู้สึกว่าดวงใจของเขาทั้งสองดวงได้ประสานกลายเป็นดวงเดียวกันจริงๆในขณะนั้นจิตของเขาได้ถูกอิทธิพลของความรักครอบงำทำให้สามารถเพิกถอนเรื่องกีดขวางคือกายเนื้อและลืงกายเนื้อไปได้ชั่วกราวก่าวอีกในยะหนึ่ง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 แต่คงเหลือแต่ความเป็นหนึ่งของดวงใจทั้งสองซึ่งจะสนิทแนบแน่นเป็นดวงเดียวกันนี้คือข้ออุปมาขอให้ท่านผู้อ่านสามารถวาดมโนภาพได้บ้างรางๆว่าสภาวะของใจที่เข้าใจกันหรือว่าเข้าถึงกันนั้นโดยแท้จริงในภูมิทิศแล้วควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไร 15. อันตรายของการศึกษาค้นคว้าเรื่องวิญญาณในโลกทิ่มีหลุมบ่อและหลุมทรายดูดอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกับโลกมนุษย์เหมือนกันถ้าท่านเดินทางโดยไม่ระมัดระวังตัวอย่างเพียงพอแล้วท่านจะต้องเสียใจไปนานในเมื่อพลัดตกลงไปในเครื่องดักเครื่องล่อเหล่านั้นจงอย่าประมาทเป็นอันขาดในการศึกษาค้นคว้าเรื่องวิญญาณ ระหว่างอิทธิพลของกระแสวิญญาณขั้นต่ำในโลกทิพย์ให้จงดีจงระลึกถึงคุณธรรมอันจะทำให้จิตของท่านประณีตขึ้นและจงติดต่อกับวิญญาณที่มีศีลธรรมเท่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงรักษาตนให้ปลอดภัยและคลาดคล้าวจากลมโคลนและดงหนาป่าชัดอันเต็มไปด้วยเชื้อโรคร้ายแรงนานาประการในการศึกษาค้นคว้าเรื่องวิญญาณนี้มีสิ่งที่จะทาให้ท่านหลงผิด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 ทั้งๆ ท, ที่ตนเองเคยคิดว่าเบื่อชีวิตแล้วนั่นเอง 17. คนเราเลือกที่เกิดได้หรือไม่อีกข้อหนึ่งที่ยังมีผู้เข้าใจผิดเป็นส่วนมากก็คือวิญญาณจะต้องเลือกหรือได้สิ่งแวดล้อมในการเกิดใหม่โดยตนเองไม่สามารถรู้สึกตัวล่วงหน้าได้เลย เรื่องเช่นนี้พอจะมีความจริงอยู่บ้างในเมื่อพูดถึงวิญญาณขั้นต่ำเพราะในระดับนี้การที่จะกลับมาเกิดใหม่ในสิ่งแวดล้อมอย่างใดรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นไปโดยการวงการของสัญชตาตญาณคือแบบสัตว์เดรัจฉานทั่ ว, วไปแล้วก็เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวหรือไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลยเรียกได้ ว, ว่าไม่มีโอกาสเลือกที่เกิดได้เลยโดยแท้จริงแต่สําหรับวิญญาณที่มีความรู้และปัญญาในเรื่องทางวิญญาณ คือวิปัสสนาปัญญาพอสมควรจะสามารถรู้สึกตัวได้บ้างอย่างน้อยก็เป็นกลางๆคล้ายกับในความฝันซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างการหลับระยะที่สองคือก่อนจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ในระหว่างสภาวะของจิตที่คล้ายๆกับฝันนี้วิญญาณจะสามารถเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไปกับตนได้รางๆแลวก็สามารถจะตัดสินใจหรือคัดเลือกที่เกิดได้บ้างตามสมควร มากหรือน้อยสุดล้าวแต่แรงกรรมถ้าวิญญาณมีลักษณะเข้มแข็งและมีปัญญาในทางวิปัสสนาคุ้มครองตัวด้วยการเลือกที่เกิดก็จะสามารถกระทำได้รุนแรงกว่านั้นคือวิญญาณที่มีกำลังจิตขนาดนี้อาจจะสร้างสถานการณ์สำหรับให้ตนมาเกิดใหม่ได้ตามความปรารถนาด้วยก็ได้แต่ทั้งนี้จะกระทาได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องสุดล้าตแรงกรรมของแต่ละคนด้วยเหมือนกัน ดังนั้นคำกล่าวที่ว่าคนเราเลือกที่เกิดไม่ได้จึงมีความจริงสำหรับวิญญาณขั้นต่ำมากกว่าวิญญาณขั้นสูงที่ได้บำเพ็ญบารมีมาบ้างแล้ว 18. ดดอกไม้บานหลังพายุกล้าเท่านั้นแต่ไม่ก่อนนั้นเลย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 มันก็อาจจะเกิดขึ้นในระยะสุดท้ายแต่แน่ละ่ะขอท่านผู้สแสวงหาความจริงทั้งหลายพึงระลึกไว้เสมอว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจนได้และขอให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีถ้าท่านต้องการผลขอให้คิดว่ามันเหมือนดอกไม้ซึ่งบานเบ่งอย่างงอกงามในความสงัดซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังพายุกล้าเท่านั้นแต่ไม่ใช่ก่อนพายุ อันรุนแรงนั้นเลยทำกลางการต่อสู้และขับเคี่ยวอย่างทรหดต้นไม้ที่จะผลิตดอกไม้คือผลงานอันน่าชื่นใจนี้จะเจริญงอกงามออกรากและแตกหน่อกงามขึ้นมาเหนือพื้นดินมันจะขยายกิ่งก้านปลิดใบน้อยใหญ่และออกดอกตูมาให้เราเห็นแต่มันจะยังไม่บานก่อนจนกว่าธรรมชาติทั้งปวงได้ยอมแพ้